นเหล่าใดมีสติในกายเป็นนิดไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำทำเฉพาะสิ่งที่ควรทำเสมอชนผู้มีสติสัมปชัญญะพร้อมมูลเหล่านั้นอาสวะหรือความชั่วร้าย ย่อมมีแต่จะเสื่อมไปพุทธวจนะตามที่พุทธวจนะได้กล่าวไปเมื่อสักครูน่นี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่า ชนเา่าใดมีสติในกายเป็นนิดไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำทำเฉพาะสิ่งที่ควรทำเสมอเสมำหรับชนผู้ที่มีสติสัมปชัญญะพร้อมมูลเหล่านั้นอาสวะหมายถึงความชั่วร้ายต่างๆ ย่อมที่จะเสื่อมลงไปอันนี้ถือว่าเป็นคำสอนที่เราจะต้องนำเอามาปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราซึ่งดูแล้วไม่ยากสำหรับผู้ที่ายดีายที่จะพ้นจากความทุกข์พ้นจากปัญหาต่างๆเราจะเห็นว่าถ้าความชีวิตของเราในแต่ละวั น, นมีความรู้ตัวทั่วพร้อม ในตัวเราอยู่หนึ่งเนืองในอิเลยาบทต่างๆเช่นการนอนการนั่งการยืนการเดินอิรลียบทย่อยๆการขบฉันการเดินการดื่มการยกการจับซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราเราพยายามที่จะมีสติรู้อยู่หนึ่งเนืองคำว่าหนึ่งเนืองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องรู้ตลอด อันนั้นถือว่าเป็นส่วนที่พัฒนาสูงสดุดแต่เรารู้ได้เมื่อเราที่นึกขึ้นมาได้เรานึกได้เราก็รู้ทันทีเลยมันหลงไปแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรเราถือว่าเรายังเป็นผู้ที่กําลังเดินทางอยู่ไม่ใช่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมหรือผู้ที่เสร็จกิจมันหลงลืมไปเราก็พยายามที่จะกลับมารู้ที่ตัวของเรา เราจะพ่อทกายเนี่ยเราไม่ทําในสิ่งที่เราไม่ควรทําคือการที่จะเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนตัวเราให้เดือดร้อนการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดโกหกพูดเท็จหรือการดื่มตุลาอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรจะทํามีแต่โทษฝ่ายเดียวควรจะละที่สุี่ควรจะละ ชีวิตเรามีอายุน้อยมากอิม่ชั่เราต้องตายจากโลกนี้ไปทําไมเราจะมัวแต่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทํามันเสียเวลาชีวิตทําสิ่งที่ควรทําเสมอเสมออันนี้คือควรทําคือการมีศีลอย่างน้อยศีลห้าเนี่ยศีลห้าในวง บ, บอกถึงความเป็นมนุษย์คนเราจะแตกต่างจากสตัตว์เนรัจฉานก็ตรงที่มีศีลห้าเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำเสมอเสมอถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยภัยต่างๆที่เกิดเคลือบตัวเราเนี่ยย่อมจะไม่เกิดขึ้นอันนี้แค่ภัยทางกายแต่ส่วนภัยทางจิตเช่นความทุกทนหม่นหมองความเศร้าความไม่สบายใจเนี่ยถือว่าเราเป็นผล ที่เกิดจากภัยทางจิตราเบียดเบียนใจเราอันนั้นคือกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้หละคือเหตุของความทุกข์ที่จะเบียดเบียนเจตใจเราเสมอๆแต่ไม่เป็นไร เราคือชนผู้มีสติสัมปชัญญะพร้อมมูลคือพยายามที่จะสั่งสมความรู้สึกตัวให้รู้เท่าทันในจิตใจของเราทุกครั้งที่เราเพลิสติอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากทางตาทางหูมันก็จะพลั่งโผรมาลงไปที่จิตใจของเรา และเมื่อใจเราขาดสติที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยใจเราจึงต้องมีความทุกข์ไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์เราเองต่างหากที่ทำให้ใจเราต้องเป็นทุกข์เพราะเราไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆเราเชื่ออารมณ์เกิ น, กนไป ไม่อย่างใครก็ตามที่เขามาพบมาเห็นเราเนี่ยเขามักจะชักชวนเราในทในสิ่งต่างๆท ำ, งทำสิ่งนู้นทำสิ่งนี้แต่เราขาดสติที่จะรู้เท่าทันในสิ่งที่เขามาเชิญชวนมาชักชวนเราแล้วก็ทำตามเขาเราก็ไปโทษเ้าว่าเขาไม่น่าทำอย่างงั้นไม่น่าจะแกล้งเราไม่น่าจะทาอย่างนี้อันนี้ไม่ยุติธรรม เขาไม่ได้บังคับเราแต่เราขาดสติที่จะรู้ทันเผลอเผลอใจเห็นใจเราก็เช่นเดียวกันใน แ, แต่ละวันเนี่ยมันมีหลายหน้าหลายฉากที่จะมาชวนให้ใจเราหลงไปจากตัวของเราเนี่ยเราไม่มีสติคอยลั่นกรองอารมณ์เหล่านั้น แล้วเราก็โทษสิ่งภายนอกเราไม่เคยโทษเล ว, ว่าไอ้ความคิดที่มันคิดทําให้ใจเราเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราีไปเชื่อไปเชื่อความคิดไม่เป็นไรถือว่าผิดแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรเราก็มาแก้ไขนําเอาปัญหาต่างๆในอดีตเนี่ยมาแก้ไขในปัจจุบันให้ดีขึ้น โดยการมีสติเนี่ยมาละพระเอกสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยที่เราพยายามที่สั่งสมอยู่เสมอเสมอทุกวันทุกวันเนี่ยเวลาเล็กเวลาน้อ ย, ยให้รู้ทันจิตของเราเนี่ยเราเคยจดสติไปกับกายเคลื่อนไหวไปกับอิเลยียบท่างๆมามากแล้วเราลองมามีสติดูจิตดูบ้างสิไม่ยากง่ายๆ การดิสิดูจิตเราสังเกตดูนะว่าใจของเราเนี่ยมักจะคิดไปทางที่เราชอบใจที่เเรียกว่าสุขเวทนาหรือบางครั้งมันอาจจะคิดไปทางที่เราไม่ชอบใจเนี่ยส่วนของทุกเวทนาหรือบางครั้งใจเราเนี่มันเฉยเฉยไม่รู้ว่าเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์เฉยย เป็นกลางๆงว่างๆอยู่อะไรเงี้ยทุกท่านเคยมีในแต่ละวันเนี่ยเรามีอารมณ์อยู่สามอย่างในจิตใจเราเนี่ยสังเกตดูเถอะไม่มีอะไรเกินนี้ไปเดี๋ยวก็ชอบอาประมาณไม่ชอบอีกแล้บางทีมันเฉยเฉยมีไหมอารมณ์แบบนี้มีไหมเนี่ยมีในตัวเราเนี่ยเราลองเจริญสติไปกับความชอบความไม่ชอบและความเฉยดูซิ อยู่ปัจจุบันนี่แหละอยู่ในขณะที่มันกาลังเกิดขึ้ น, นขนาดนี้เดียวนี้มีไหมสํารวจดูใจเราที่ว่าใจเราเป็นอย่างไรมันเฉยเฉยนิ่งๆิ่งว่างๆอยูอ่อนนี้เราก็รู้มันหรือมันเบื่อมันหน่ตอนนี้มันลาคาญ ร, รู้สึกลาคาญมันมีอารมณ์ง่วงง่งมาแตะอยู่ในจิตใจเราเนี่ยมาพยายามจะทําให้เราเคลิม้มเรารู้สึกเท่าทานมันเราลาคาญ อ๋อนีใจเราเป็นอย่างนี้นะใจเรามันเกิดความรําคาญเราไม่ชอบอาแบบนี้หรือเราชอบตอนนี้อ๋อกำลังฟังทำเพลินๆสบายๆใจมันดีอ๋อตอนนี้ใจเราดีทุกครั้งที่เรารู้เท่าทันในอารมณ์ตอนนี้เราได้สะสมสติไว้แล้วนะกําลังฟังนี่กําลังสะสมสติการมาเกิดอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันเท่านั้นจึงจะเป็นวิปัสนาปัจจุบันเท่านั้นทําให้เราบรรลุธรรมได้ปัจจุบันเท่านั้น ท, าน ท, จจนทําทให้จิตใจเราเนี่ยพ้นทุกข์ชั่วขณะไม่มีเวลาไหนดีเท่ากับเวลานี้นะเวลาไหนๆก็สู้เวลานี้ไม่ได้เวลาที่กาลังรู้ตัวทั่วพร้อมที่กําลังฟังธรรม เจริญสติเวลามาเกิดอารมณ์ยินดีเราก็รู้ไว้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอย่าไปยึดเอาไว้เวลาเราเกิดความหุดหดอึดอัดกัดเครื่องเบื่อนรายรำคาญก็รู้ไว้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเวลาใจเราเฉยๆนิ่งๆเป็นกลางๆเราก็อย่าลืมที่จะมีสติรู้ไว้ แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือสักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกมันเป็นสิ่งที่เกิดเกิดดับดับหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเหมือนคนบางคนมาเจอเราแล้วเขาก็จากไปคนโู้นมาเจอเราแล้วก็จากไปเหมือนแขกผู้มาเยือนเราจะไปยื้อยุดดึงเขาไว้ให้อยู่กับเราต่อทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ อารมณ์ต่างก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะความคิดความคิดเนี่ยตัวสำคัญเลยคิดดีเราก็รู้มันคิดไม่ดีเราก็รู้มันมันไม่คิดเราก็รู้อีกสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะใสจะนิ่งจะเป็นปกติเป็นกลา ง, ลางทีนี้เราจะใช้ชีวิตที่เป็น ปกติกลางๆของจิตใจเนี่ยคิดในสิ่งที่ดีๆก็ย่อมได้รับความคิดที่ดีๆเกิดขึ้นจะมีแต่อารมณ์ของกุศลได้เกิดขึ้นในความคิดอารมณ์อกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นจิตเราจะดีแต่เราก็รู้เท่าทันในความเดียวของจิตอันนี้ง่ายๆหรือเราจะทําให้ง่ายกว่ า, น, านั้นอีกตัวปฏิบัติเนี่ยยิ่งทํายิ่งง่ายยิ่งทํายิ่งง่ายใหม่ๆเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา เดินขึ้นเขาแต่พอปฏิบัติไปนานๆเนี่ยเมืนขีดคดลงเขาสบายเราลองมีสติรู้ตัวง่ายๆที่จิตใจเราสิเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ตามสมมุตินะจะขับรถจะดื่มน้ำจะกวาดพื้นจะทำงานอะไรก็ตามซึ่งเป็นชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสังเกตุที่ทใจเรานะเรารู้ตัวไหม อ่าราทะลุตัวแล้วก็เรามีสติแล้วบางทีเราไม่รู้ตัวเราเผลอไปเรารู้ไม่ว่าเราเผลอทุกครั้งที่รู้ว่าเผลอเนี่ยเรามีสติแล้วเห็นหมมีสติคอยรู้ว่าเรารู้หรือเราเผลอนี่มันง่ายมี2 อ, อย่างเห็นมมีรู้กับไม่รู้คือรู้กับเผลอหรือรู้กับหลงรู้2ออย่างเมื่อรู้เราก็อ๋อนี่เรารู้ตัวนะ การทำอะไรอยู่เนี่ยเราเก็บคะแนนสติไว้แล้แต่ถ้ามันเผลอคิดไปจิตไปรับอารมณ์โอนี่เราเผลอนะนั่นเราก็มีสตินะมีสติในความเผลอเก็บคะแนนอีกแล้วหนึ่งคะแนนความเผลอหรือบาทีเราเผลอคิดโอนี่เรารู้ว่ามันคิดเผลอคิดหรือบาทีเรารู้ว่าเรากําลังรู้สึกตัวอยู่เราก็เก็บคะแนนความรู้สึกตัวสรุปแล้ว เวลาเราหลงเราก็รู้มันเวลาเราไม่หลงเราก็รู้มันมันมีแต่รู้สึกตัวรู้กับรู้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันง่ายขึ้นให้บางคนถามนะแล้วเราจะรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเราจะรู้ไปถึงไหนเราจะรู้ไปถึงไหนการปฏิบัติก็ขอตอบว่ารู้ไปกระทั่งหมดลมนะรู้ไปจนหมดลม เพราะตอนจะหมดลมเนี่ยสำคัญมากถ้าหมดลมแบบไม่รู้เนี่ยลองอบายนะแต่ถ้าหมดลมแบบรู้ตัวเนี่ยอันนี้แหละสุขติเป็นที่หวังได้